ดุ้งเรื่องบรรเจอจัดตาลึกซึ้งแปลเพียงแรกแลมันการปิติเอ อลัมพิเศษวันวิสาขบูชาวันมหามงคลแห่งไตรภู ม, รบบ ม, ร ม, ม, มิเมืเ่อกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์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 หากขาดซึ่งเลือดเนื้อของความเป็นสามา น, นุษย์แล้วก็จะไม่มีการเติบโตขึ้นสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ได้เลยในฐานะมนุษย์ธรรมดาก่อนตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นเจ้าชายนามว่าสิท ธ, ธัตถะประสูตทิที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงก บ, บิลพัทกับเทวทหะ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 ในวันอังคารขึ้น15ห้ค่ำเดือน6ปีมะเสงณสาลาวโนทยานของมัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราแขวนมัลละนับเป็นการสูญเสียพระกรัชกายแห่งองค์ท่านแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความตั้งมั่นถาวรแห่งองค์พระศ า, ศาสดาในศาสนาเราเพราะนับแต่นั้นสืบมาคำสอนของพระองค์ก็จะเป็นตัวแทนท่านไปจนชั่วนิวรันดร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 ได้เรียนลองไตรตรองนางชารู้จำ